Thank you. พาสิทธ์บทหนึ่งที่เคยผ่านตาพวกเราเพราะว่าเคยสวดหรือสาธยายมาสองสาครั้งแล้วนะในพรรษาเนี้ก็คือพาสิทธิ์ที่ว่ายาคาที่จับไม่ดีย่อมบาดมือชั้นใดความเป็นสนัมณะถ้าปฏิบัติไม่ถูกนะก็ฉุดลงไปนรกชั้นนั้น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 แสงหาลาบสักการะมากขึ้นก็ทาใหา้จิตใจก็ตกต่ำยับแย่นะเพราะว่าความโลภก็เพิ่มพูนมากขึ้นหรือว่าพอมีลาบสักการะแล้วก็อยู่สบายนะไม่สนใจฝึกฝนพัฒนาตนนะอันนี้คือเรียกว่าเกิดความประมาทหรือว่าพอมีคนกราบไหว้แล้วก็เกิดความหลงตัวลืมตน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 การเล่นก็ตกต่านะเรียกว่าคะแนนนี่ดิ่งลงไปเลยแต่ว่ามันกลับเป็นข้อดีนะเพราะว่ามันทำให้เขารู้ว่าข้อมีข้อบกพร่องผิดพลาดตรงไหนก็เอามาแก้มือนะเอามาแก้ปรับปรุงตัวเองจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะเป็นแชมป์ได้เขาพูดให้น่าสนใจบอกว่าโชคดีนะที่เขาประสบความ ล้มเหลวนะในช่วงสามปีที่ผ่านมาโชคดีนะบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันต้องมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ตกต่ํานะหรือว่าประสบความล้มเหลวเรียกว่าดําดิ่งไปเลยแต่ว่าเขาโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับเขาในขาที่เขาอายุยังน้อยตอนไม่ค่อยมีเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคได้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 คำเดียวกับท่านนี้นะกราบพระ